ที่พรรัตนสุวรรณเสนอธรรมบรรยายเรื่องอภินหะปัจเจเวกหนังสือเรื่องอภินหะปัจเจเวกนี้เป็นหนังสือที่กล่าวถึงธรรมหรือความจริงของชีวิตที่ต้องพิจารณาอยู่เนืองๆหรือพิจารณาทุกวันการยอมรับความจริงในเรื่องเหล่านี้จะทําให้เราไม่ประมาทรู้จักคิดทําใจให้สบายอยู่เสมอไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ผู้ที่รู้สึกว่าตนเองได้สร้างกุศลทำหน้าที่ในฐานะใดๆก็าตามด้วยการปฏิบัติอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้รู้สึกภูมิใจในตนเองนับถือตนเองบุคคลประเภทนี้ย่อมมีความสุขทั้งในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่และตายไปแล้วคือมีความบันเทิงใจทั้งในโลกนี้และเมื่อละจากโลกนี้ไปสู่สุคติ ก็จะบันเทิงใจยิ่งขึ้นอีกหลายเท่าอภินหะปัจเจเวกหรือธรรมที่ควรพิจารณาเนืองๆได้แก่หนึ่งเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้สองเรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้สามเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้สี่ เราจะต้องพลัดพรากจากบุคคลและสิ่งของอันเป็นที่รักที่ชอบทั้งสิน้นหเรามีกรรมเป็นของตนเราเป็นทาญาตของกรรมเรามีกรรมเป็นที่เกิดเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธ์เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทํากรรมอันใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจากต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นธรรมะทั้งหข้อนี้เรียกว่าอภินิหปัจจเวก ซึ่งแปลว่าธรรมที่ควรพิจารณาเนืองเนืองหรือบ่อยๆเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้มีปรากฏอยู่ในอังคุตรานิกายปัญจกานิบาทพระไตรปิฎกเล่มที่22สสองหน้า8ปดบเอดฉบับสยามรัฐและฉบับมหาจุลาหน้า66ธรรมที่ใครปฏิเสธไม่ได้ขอได้โปรดสังเกตว่าในธรรมะทั้งห้าข้อนี้ สข้อข้างต้นจะไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงเพราะทำทั้งสข้อนี้เป็นหลักความจริงที่ทุกคนมองเห็นกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนส่วนมากไม่ค่อยจะนึกถึงบ่อยๆเท่านั้นเพราะถือว่ารู้แล้วไม่จําเป็นจะต้องพูดถึงหรือนึกถึง บ, บ่อยๆและอีกอย่างหนึง่งเป็นเพราะมองไม่เห็นว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากการพิจารณาหรือการนึกถึง บ, บ่อยๆ แต่การที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนให้เราทั้งหลายมันนึกถึงบ่อยๆนั้นพระองค์ได้ทรงอธิบายว่าความแก่โดยธรรมดาคนที่เป็นหนุ่มหรือเป็นสาวย่อมจะเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวและจากความเมาอันนี้ก็จะเป็นเหตุให้ประพฤติการทุจริตได้ต่างๆทั้งทางกายทางวาจาและทางใจแต่ถ้าผู้ใดมันนึกถึงบ่อยๆว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้ก็จะทําให้ความเมาในความเป็นหนุม่มเป็นสาวหมดไปหรือเบาบางลงได้พระทรงเห็นประโยชน์เช่นนี้จึงได้ตัดสอนให้มันพิจารณาเรื่องนี้ บ, บ่อยๆความเจ็บไข้และในธรรมนองเดียวกันคนที่ไม่ค่อยจะเจ็บป่วยร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้ขเจ็บเป็นเวลานา น, าน ก็ยอมจะเกิดความเมาในความไม่มีโรคของตนคนที่ยังอีกนานกว่าจะตายก็ย่อมจะเกิดความเมาในความมีชีวิตของตนจากความเมาเหล่านี้ก็จะเป็นเหตุให้ประพฤติการเถจริตได้ต่างๆทั้งทางกายทางวาจาและทางใจแต่ถ้าผู้ใดมันพิจารณาบ่อยๆถึงความจริงเหล่านี้ก็จะทําให้ความเมาเหล่านั้นหมดไปหรือเบาบางลงได้ ความตายความเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ดีความเมาในความไม่มีโรคก็ดีความเมาในความมีชีวิตก็ดีความเมาเหล่านี้มีผลเสียหายร้ายแรงอย่างไรขอให้นึกถึงคนที่เมาเหล้าซึ่งเมื่อเมาแล้วย่อมทําให้ลืมตัวทําให้ขาดสติสัมปชัญญะไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูกขาดความควบคุมตัวเอง นิสัยเดิมมีอยู่อย่างไรก็จะแสดงนิสัยนั้นๆออกมาไม่รู้จักละอายและในที่สุดก็จะทำอะไรผิดๆโดยไม่รู้สึกตัวคนที่เมายศเมาอำนาจเมาทรัพสมบัติเมาในลูกเมาในสามีเมาในพรรัญญาเมาในความรักก็เช่นเดียวกันคนที่เมาในสิ่งเหล่านี้ทำอะไรผิดบ้างคนที่ไม่เมาจะมองเห็นได้ง่าย ส่วนคนที่กำลังเมาจะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนให้หมันนึกถึงความจริงเหล่านี้เพื่อเราทั้งหลายจะได้ไม่เมาเหมือนดังที่กล่าวมาจําใจจาําพลาดอันหนึ่งโดยธรรมดาคนเราเมื่อรักหรือชอบสิ่งใดก็อยากจะให้สิ่งนั้นคงอยู่ตลอดไปและอยากจะให้สิ่งที่ตนรักหรือชอบนั้น เป็นไปอย่างที่ตนเองปรารถนายิ่งรักมากชอบมากความอยากก็ยิ่งรุนแรงมากแต่คั้นต่อมาในเมื่อสิ่งที่ตนรักหรือชอบนั้นเกิดการพลัดพรากหรือเกิดความเสียหายหรือไม่เป็นไปอย่างที่ตนเองปรารถนาความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นและโดยปกติทุกทางใจนั้นเมื่อเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วต่อไปในเมื่อมีเหตุการณ์อย่างเดียวกัน ความทุกข์อ น, นั้นก็จะเกิดอีกเพราะความทุกข์ทางใจทุกอย่างมีวิบากเหมือนกับความรู้หรือความรู้สึกทุกอย่างเมื่อเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็จะมีเชื้อสะสมอยู่ในสันดานซึ่งถ้าความรู้หรือความรู้สึกอย่างนั้นเกิดบ่อยๆความรู้หรือความรู้สึกนั้นก็จะสะสมเพิ่มพูนมากขึ้นแต่ถ้าผู้ใดในเมื่อเกิดความทุกข์แล้วพยายามอดทนหรือปล่อยวาง หรือพยายามศึกษาให้รู้ความจริงในเรื่องนั้นๆแล้วหัดทําใจให้อยู่เหนือความทุกข์ไม่ให้ความทุกข์ครอบงําเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความทุกข์นั้นก็จะกลายเป็นบทฝึกหัดทําให้จิตใจมีความต้านทานต่อความทุกข์ดีขึ้นโดยลําดับเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้เราหมั่นพิจารณาว่า เราจะต้องพลัดพรากจากบุคคลและสิ่งของอันเป็นที่รักที่ชอบทั้งสิ้นซึ่งหมายความว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นแกเราอย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งและตลอดชีวิตก็อาจจะต้องประสบหลายครั้งหลายหนถ้าเราหมั่นพิจารณาเรื่องนี้อยู่เสมอก็จะทำให้ความทุกข์เหล่านี้หมดไปหรืออย่างน้อยก็เบาบางลงได้แต่อย่างไรก็ดี การพิจารณาถึงหลักความจริงทั้งสี่ข้อข้างต้นนี้สําหรับผู้ที่ไม่เข้าใจธรรมะเรื่องนี้อย่างแท้จริงก็มักจะนําธรรมะเรื่องนี้ไปใช้ผิดกาลเทศะและในที่สุดก็ทําให้เกิดผลเสียหายเช่นทําให้เกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้หมดกําลังใจทํางานทําให้เกิดความเกียดคร้านทําให้ไม่คิดต่อสู้อุปสรรคต่างๆ ซึ่งถ้าหากมีผลเกิดขึ้นเช่นนี้ก็หมายความว่าผู้นั้นนําธรรมะไปใช้ไม่ถูกกาลเทสะหรือธรรมะที่ว่านี้ไม่เหมาะแก่อุปนิสัยของคนประเภทนี้การใช้ธรรมะก็เหมือนกับการใช้ยาถ้าใช้ไม่ถูกก็เกิดผลเสียหายได้เหมือนกันทํำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วสําหรับธรรมะข้อที่ห้า ซึงให้พิจารณาถึงเรื่องกรรมนั้นเรื่องนี้นับว่าสําคัญมากก่อนอื่นขอให้พิจารณาดูว่าธรรมะสี่ข้อข้างต้นก็คือหลักธรรมดาที่เราทั้งหลายรู้กันดีและยอมรับว่าเป็นความจริงตามนั้นทุกอย่างส่วนข้อที่5นั้นความจริงก็เป็นหลักธรรมดาเช่นเดียวกันคือทุกคนต้องอยู่ในกฎอันนี้เช่นเดียวกันกับกฎสี่ข้อข้างต้น แต่คนส่วนมากมักจะไม่ค่อยยอมรับความจริงในเรื่องนี้ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากตัวอย่างในสังคมคนทําชั่วได้ดีคนทําดีได้ชั่วมีมากและสาเหตุอีกประการหนึ่งที่สำคัญมากก็คือการที่คนส่วนมากที่ไม่ค่อยยอมรับความจริงในเรื่องนี้นั้นเป็นเพราะเข้าใจกฎของกรรมไม่ถูกหรือไม่ก็เป็นเพราะเข้าใจลึกซึ้งไม่พอเพราะฉะนั้น ในลำดับต่อไปนี้จะขออธิบายความของเรื่องนี้ให้เป็นที่เข้าใจกันอย่างถูกต้องเสียก่อนคําว่าทําดีได้ดีในความหมายที่แท้จริงหมายถึงได้ความดีไม่ใช่ได้เงินทองได้ชื่อเสียงหรือได้ของอย่างอื่นที่เป็นของภายนอกคําว่าทําชั่วได้ชั่วก็เช่นเดียวกันหมายถึงได้ความชั่วไม่ใช่หมายถึงติดคุกติดตารางเสียงเงินทอง เสียชื่อเสียงอะไรทํานองนี้เพราะข้ออุปมาที่พระพุทธองค์ตรัสไว้นั้นมีว่าหวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นเช่นหวานข้าวย่อมได้ข้าวหวานถั่วย่อมได้ถัว่วอย่างนี้เป็นต้นขอให้สังเกตว่าเมื่อเราปลูกข้าวผลที่จะได้อย่างแน่นอนก็คือข้าวในเมื่อปลูกในดินดีน้าดีไม่มีสิ่งที่เป็นอันตรายต่อต้นข้าว การปลูกข้าวแล้วได้เงินนั้นเป็นผลที่หลังซึ่งจะได้จริงหรือไม่ได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเหตุการณ์อีกหลายอย่างในทํานองเดียวกันเมื่อทำความดีทำความดีชนิดไหนก็จะได้ความดีชนิดนั้นเช่นเมื่อเรียนหนังสือก็ได้ความรู้หัดเป็นคนขยันก็ได้นิสัยขยันอย่างนี้เป็นต้นและในทํานองตรงกันข้ามเมื่อเป็นคนโกหก ก็จะต้องได้นิสัยโกหกเป็นคนฆ่าสัตว์ก็จะได้นิสัยโหดเหี้ยมชอบการฆ่าสัตว์รวมความว่าเมื่อเราหัดในทางไหนก็จะได้เป็นในทางนั้นนี่คือความหมายที่แท้จริงของคําว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วซึ่งหลักอันนี้ใครๆจะคัดค้านไม่ได้เลยเช่นเดียวกับหลักที่ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้ ในเมื่ออยู่ไปนานๆหลักอันนี้ทุกคนยอมรับว่าเป็นความจริงเรามีกรรมเป็นของตนและข้อที่ว่าเรามีกรรมเป็นของตนนั้นหมายความว่าเมื่อเราทํากรรมอันใดไว้เราก็จะได้วิบากของกรรมอันนั้นเป็นสมบัติของตนแน่นอนคําว่าวิบากแปลว่าผลของกรรมก็จริงแต่หมายเฉพาะผลที่เกิดในสันดานเท่านั้นจึงจะเรียกว่าวิบาก ส่วนผลของกรรมที่เป็นของภายนอกเช่นเมื่อทำดีก็ย่อมจะได้ลาบสการะชื่อเสียงอะไรทำนองนี้ผลอย่างนี้เรียกว่าอานิสงหรือบางทีก็เรียกว่าผลเฉยๆเพราะคำว่าผลอาจจะหมายถึงผลที่เกิดขึ้นในสันดานหรือหมายถึงผลภายนอกก็ได้แต่ถ้าพูดถึงมีบากแล้วหมายเฉพาะผลของกรรมที่เกิดขึ้นในสันดานอย่างเดียว ขอให้สังเกตว่าขนาดความหมายพื้นพื้นขั้นต้นเช่นนี้คนส่วนมากก็เข้าใจไม่ค่อยจะถูกกันแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงความหมายที่ลึกซึ้งกว่านี้ซึ่งยังมีอีกว่าคนทั้งหลายจะเข้าใจอย่างถูกต้องเพราะเหตุที่ไม่เข้าใจเรื่องนี้อย่างถูกต้องและลึกซึ้งพอนี่แหละที่เป็นเหตุให้คนทั้งหลายไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องนี้เราเป็นทายาทของกรรม คำว่าเราเป็นทายาทของกรรมหมายความว่าเมื่อเราทำกรรมอันไดไว้เราก็จะต้องได้วิบากของกรรมอ น, นันต์แน่นอนและเมื่อวิบากมีอยู่ในสันดานวันหนึ่งมันก็ต้องให้ผลเช่นเดียวกับเราปลูกต้นไม้อะไรไว้เมื่อต้นไม้นั้นไม่ตายวันหนึ่งเราก็ต้องได้รับผลของต้นไม้นั้นแน่นอนและได้โปรดเข้าใจไว้ด้วยว่า วิบากที่เกิดขึ้นในสันดานนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ตายแม้ว่าตัวเราคือร่างกายจะตายไปแล้วก็ตามเพราะวิบากเป็นสิ่งที่มีอยู่ในสันดานสันดานคือจิตใ จ, ใจส่วนลึกหรือจิตไร้สมนึกซึ่งทางพุทธศาสนาเรียกว่าภวังคจิตคนเราเมื่อเวลาตายก็ตายแต่ร่างกายเท่านั้นส่วนวิญญาณหรือจิตไม่ได้ตายนอกจากจะไม่ตายแล้ว จิตใจหรือวิญญาณส่วนนี้ยังจะสร้างร่างกายขึ้นมาใหม่เป็นร่างกายซึ่งเกิดมาจากใจล้วนๆร่างกายประเภทนี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่ากายทิพย์หรือโอปปาติกะตามกฎของปฏิจจสมุปบาทซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบนั้นมีหลักตายตัวอยู่ว่าคนใดถ้ายังมีตัณหาอยู่ในสันดานชีวิตจะไม่มีวันสู์ คือตายแล้วก็จะต้องเกิดอีกสืบต่อกันไปเรื่อยๆเช่นนี้ไม่มีวันสิ้นสุดขอให้สังเกตว่าเด็กทุกคนที่เกิดมาแม้จะเกิดจากพ่อแม่คนเดียวกันอุปนิสัยก็ไม่เหมือนกันอุปนิสัยทั้งดีและชั่วที่มีมาแต่กำเนิดรวมทั้งพื้นสติปัญญาสิ่งเหล่านี้คือความดีความชั่วที่สืบเนื่องมาแต่ชาติก่อน การที่คนเราจะมีความสุขหรือความทุกข์ความเจริญความเสื่อมแค่ไหนอย่างไรหลักใหญ่จงขึ้นกับพื้นอุปนิสัยและพื้นสติปัญญาที่มีมาต่กกาเนิดและที่อบรมให้มีขึ้นในภายหลังถ้าเข้าใจหลักเหล่านี้ดีเราก็จะมองเห็นได้โดยไม่ยากว่าเรามีกรรมเป็นของตนเราเป็นทายาทของกรรมเรามีกรรมเป็นที่เกิด เรามีกรรมเป็นที่เกิดหมายความว่าพ่อไม่ใช่ผู้ให้กำเนิดที่แท้จริงเพราะจากความสามารถที่พระพุทธเจ้าทรงเรารึกชาติได้และทรงมีตาทิพย์มองเห็นชีวิตในโลกของวิญญาณหรือในโลกของโอปปะปติกะนั้นทำให้พระองค์ทรงทราบอย่างแจ่มแจ้งว่าคนเราเคยเกิดมาแล้วนับชาติไม่ท่วนก่อนที่จะมาเกิดในท้องแม่ และเมื่อตายก็ทรงเห็นอีกว่าอันคนที่ยังมีกิเลสอยู่ในสันดานนั้นไม่มีใครแม้แต่คนเดียวที่จะไม่เกิดอีกตัวการที่ทำให้ชีวิตเกิดขึ้นก็คือวิญญาณซึ่งวิญญาณที่ว่านี้หมายถึงวิญญาณในส่วนลึกคือจิตไร้สานึกหรือภวังขจิตวิญญาณสืบต่อได้เรื่อยๆก็เพราะในวิญญาณยังมีวิบาบวิบากเกิดขึ้นก็เพราะกิเลส ซึ่งหมายความว่าคนใดถ้ายังมีกิเลสอยู่ในสันดานไม่ว่าจะพูดอะไรหรือทำอะไรหรือคิดอะไรทุกอย่างเป็นกรรมทั้งสิน้นเมื่อเป็นกรรมก็หมายความว่าจะต้องมีวิบากเกิดขึ้นในสันดานส่วนการกระทาของผู้ที่หมดกิเลสแล้วเรียกว่ากิริยาไม่เรียกว่ากรรมเพราะกิริยาไม่มีวิบากผู้ที่ไม่มีวิบากอยู่ในสันดานเช่นพระอาราหารันต ความกดดันจากภายในจะไม่มีเลยวิบากในความหมายอันหนึ่งก็คือความกดดันภายในนี่เองผู้ที่ไม่มีความกดดันอยู่ภายในจะสามารถทำใจให้ว่างได้ทันทีทุกโอกาสและทุกขณะจิตซึ่งเป็นการว่างอย่างสมบูรณ์คนที่เข้าสมาธิได้ลึกมากถึงขั้นไม่รู้สึกตัวแต่ถ้ากิเลสในสันดานยังมีก็แปลว่าวิบากยังมี เมื่อยังมีวิบากความกดดันก็ยังมีถ้าความกดดันยังมีต่อให้เข้าสมาธิลึกขนาดไหนแรงดันจากภายในยังต้องมีอยู่เสมอเมื่อแรงดันยังมีอยู่ใจจะว่างร้อยเปอร์เซน์ไม่ได้มเมล็ดผลไม้ที่ไม่เน่าไม่เสียวันหนึ่งจะต้องงอกซึ่งการงอกของต้นไม้นั้นแม้จะต้องอาศัยดินฟ้าอากาศที่เหมาะสมก็จริงแต่ก็อย่าลืมว่า ต้นไม้งอกขึ้นมาจากแรงดันภายในมเมล็ดเจริญเติบโตขึ้นมาตามพืชพันธุ์ของมันข้อนี้ฉันใดคนเราก็เหมือนกันคือย่อมเกิดขึ้นมาจากวิบากของตนซึ่งหมายความว่าโดยธรรมดาคนที่ยังมีวิบากคือจิตใจส่วนลึกยังมีแรงดันต่างๆอยู่นั้นจะมีลักษณะเหมือนปูตุชนนอนหลับซึ่งทุกครั้งที่หลับจะต้องฝัน การฝันก็คือการมีตัวเราเกิดใหม่ในโลกแห่งความฝันอันนี้เป็นกฎตายตัวสําหรับคนที่ยังมีกิเลสเพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าคนที่หลับไม่ฝันเลยมีอยู่ประเภทเดียวคือพระอรหันต์เท่านั้นในทํานองเดียวกันคนที่ยังมีวิบากอยู่ในขณะที่จวนจะตายคือเข้าขั้นตรีทูตหรือโคม่าแล้วนั้นในขณะนี้จิตใจส่วนลึก จะสร้างร่างกายขึ้นมาใหม่เหมือนร่างกายในความฝันแต่ก็ต่างกันตรงที่ร่างกายซึ่งเกิดในตอนนี้มีชีวิตจริงๆพวกเทวดาพวกพรหมตลอดทั้งพวกเปรตนรกอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานในโลกของวิญญาณ น, นี้ก็เกิดแบบเดียวกันนี้ทั้งสิน้นคือเกิดจากวิญญาณของตนซึ่งวิญญาณส่วนนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวิปากวิญญาณ แปลว่าวิญญาณที่เป็นวิบากขอได้โปรดสังเกตไว้อีกอย่างหนึ่งว่ากรรมเกิดขึ้นในจิตสำนึกเพราะในขณะที่ทำกรรมนั้นเราจะรู้ตัวว่าเราทำกรรมอะไรพูดอะไรคิดอะไรมีความรู้สึกอย่างไรส่วนวิบากเกิดขึ้นในจิตไร้สำนึกเพราะวิบากที่เกิดขึ้นในจิตส่วนนี้เราไม่รู้ตัวแต่เราก็อาจจะสังเกตได้ในความฝัน เพอความฝันทุกอย่างก็คือการแสดงออกของจิตไร้าสานึกจิตไร้าสานึกก็คือวิปากจิตนั่นเองหลักฐานเรื่องการเกิดจากหลักวิชาอันลึกซึ้งแต่พยายามพูดให้สั้นและให้ง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้นี้จะทำให้มองเห็นชัดว่าคนเราย่อมจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีพ่อแม่ก็ได้นั่นคือชีวิตของพวกโอปปปฏิกะทั้งหลาย และแม้คนเราจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยพ่อแม่ก็จริงแต่ถ้ายังไม่มีวิญ ญ, ญาณมาเกิดในท้องแม่คนเราก็เกิดไม่ได้เหมือนกันดังเช่นพระองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนอาน o ์ถ้าวิญ ญ, ญาณจากไม่ก้าวลงสู่ท้องของมารดานามารูปจะพึงเกิดในท้องของมารดาได้หรือมีได้พระพุทธเจ้าข้าพระอานน์ทูลตอบเพราะเหตุนี้และอาน o ์เราจึงได้กล่าวว่า วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปข้อความที่ว่านี้มีอยู่ในมหานิทานสูตรที่ขณิกายมหาวัคนอกจากนี้พระองค์ยังได้ตรัสไว้อีกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อพร้อมด้วยปัจจัยสามอย่างเหล่านี้สัตว์จึงจะเกิดในคันได้คือหนึ่งมารดาบิดาอยู่ร่วมกันสองมารดามีฤดู คืออยู่ในวัยหรือในสภาพที่จะมีลูกได้ 3. ม, มีวิญญาณมาปฏิสนธิในคันข้อความที่ว่านี้มีอยู่ในมหาตันหาสังคยสูตรมัชฌิมานิกายมูลปัญ น, นาภจากพุทธพจน์ ท, ที่อ้างมานี้แสดงให้เห็นว่าทางพุทธศาสนายอมรับเรื่องการสืบพันธุ์แต่ในเวลาเดียวกันพระองค์ได้เพิ่มความรู้อีกอย่างหนึ่ง คือคนเราจะเกิดมาได้ต้องอาศัยวิญญาณของตนมาเกิดในท้องแม่คือมาเกิดในไข่ที่ผสมพันไว้แล้ววิญญาณที่มาเกิดนี่แหละคือตัวการที่ทาให้ไข่นั้นจเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นคนซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวนี้ก็พิสูจน์ได้แต่คนที่จะพิสูจน์ได้จะต้องสามารถเข้าสมาธิได้ลึกมากถึงขั้นมองเห็นพวกวิญญาณหรือพวกโอปปติกะ เพราะเหตุที่ความจริงมีอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าเรามีกรรมเป็นที่เกิดหรือแปลอีกในหนึ่งว่าเรามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดซึ่งหมายความว่าตราบใดที่การกระทําของเรายังเป็นกรรมอยู่ไม่ใช่เป็นกิริยาเพราะเป็นการกระทําที่ประกอบด้วยกิเลสวิบากก็ต้องมีอยู่เสมอเมื่อยังมีวิบากก็ต้องเกิดอีกแน่นอน ซึ่งถึงแม้จะไม่มีพ่อไม่มีแม่ก็เกิดได้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุรรนน์หมายความว่าคนเราจะเกิดในตระกูลไหนมีพ่อแม่อย่างไรจะมีญาติพี่น้องมีมิสหายเพื่อนฝูงอย่างไรจะได้แต่งงานกับคนดีหรือไม่ดีอย่างไรทั้งหมดที่ว่านี้หลักใหญ่อยู่ที่กรรมของตนเช่น มีข้อสังเกตว่าคนชอบดื่มเหล้าก็ย่อมจะสมาคมอยู่กับคนชอบดื่มเหล้าคนชอบเล่นการพานันก็ย่อมจะสมาคมอยู่กับคนประเภทเดียวกันอย่างนี้เป็นต้นหลักเหล่านี้แม้จะไม่ใช่กฎตายตัวแต่ก็เป็นหลักที่เป็นไปเป็นส่วนมากทั้งนี้เพร่อมีกฎอยู่อันหนึ่งว่าวิญญาณที่เหมือนกันย่อมดึงดูดเข้าหากันและเพราะเหตุนี้คนที่มีบา ตายไปแล้วก็ยอมไปอยู่กับพวกมีบาปคนมีบุญตายไปแล้วก็ยอมไปอยู่กับพวกมีบุญซึ่งเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงเห็นได้ชัดด้วยทิพยจักสุดังเช่นที่พระองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนสารีบุตรตถาคตย่อมเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเหลวประณีดมีผิวพันธ์ซามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักสุอันบริสุทธ ล่วงจากสู่ของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยะเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทําด้วยอํานาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายไปเพราะกายแตกทําลายย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาสนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริต วจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยะเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทาด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกทำลายย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์พุทธพ์ที่กล่าวนี้มีอยู่ในมหาสีหานาถสูตรมัชฌิมานิกายมูลปันนาฏและในที่บางแห่งพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบกายะสังขารวจีสังขารมโนสังขารอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบุคคลนั้นย่อมเข้าถึงโลกที่มีการเบียดเบียนดังเช่นสัตว์นรกทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารอันไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียน บุคคลนั้นย่อมเข้าถึงโลกที่ไม่มีการเบียดเบียนดังเช่นเทพเจ้าเหล่าสุภากินหะดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ประกอบกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบ้างไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนบ้างบุคคลนั้นย่อมเข้าถึงโลกที่มีการเบียดเบียนบ้างไม่มีการเบียดเบียนบ้างดังเช่นมนุษย์ทั้งหลาย เทวดาบางพวกวินิบาตบางพวกพุทธพจน์ที่นํามานี้มีอยู่ในอังคุตระนิกายจตุกานิบาตจากพุทธพจน์ทั้งสองแห่งที่อ้างมานี้จะทําให้เข้าใจดีว่าคําว่าเรามีการเป็นเผ่าพัานธุ์นั้นหมายความว่าอย่างไรและเป็นการตอบปัญหาของคนในสมัยปัจจุบันที่ชอบพูดว่าคนเราเลือกที่เกิดไม่ได้ซึ่งก็เป็นความจริง แต่ถึงกระนั้นการเกิดทุงคนเราแต่ละบุคคลก็ไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญตรงกันข้ามทุกคนได้เกิดขึ้นมาตามกรรมของตนเองทั้งสิน้นเมื่อเราต้องการเกิดในที่ดีก็ต้องทําความดีไว้ให้มากซึ่งในที่สุดเราก็จะได้เกิดตามที่ตนปรารถนาแต่ถ้าเราทําความชั่วไว้มากในสันดานของเราเต็มไปด้วยความชั่วมีวิบากชั่ววิบากอันนี้ ก็จะส่งผลให้เราได้ไปเกิดในที่ซึ่งมีความเหมาะสมกับความชั่วในสันดานตามที่ปรารถนาเช่นเดียวกันเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยข้อนี้หมายความว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ญาติพี่น้องมิตรสหายหรือใครก็ตามที่สามารถเป็นที่พึ่งแก่เราได้นั้นบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่ที่พึ่งอันแท้จริง ไม่ใช่ที่พึ่งอันถาวรเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าพ่อแม่ไม่ใช่ผู้ให้กําเนิดอันแท้จริงกรรมของตนเองต่างหากที่เป็นผู้ให้กําเนิดอันแท้จริงดังที่ได้อธิบายมาแล้วทั้งนี้ก็เพื่อให้เราพิจารณาดูถึงความจริงที่ลึกซึ้งกว่านั้นขอได้โปรดสังเกตดูว่าคนที่เกิดมามีนิสัยดีหลายอย่างมาตั้งแต่เกิด พร้อมทั้งเป็นคนที่มีพื้นสติปัญญ า, าเฉลียวฉลาดด้วยนั้นคนประเภทนี้พึ่งตัวเองได้ดีมากและคนอื่นก็สามารถเป็นที่พึ่งแก่เขาได้อย่างดีด้วยซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่เกิดมามีนิสัยเลวมาตั้งแต่เกิดคนประเภทนี้แม้จะได้พ่อแม่ดีครูอาจารย์ดีก็ยากที่จะตั้งตนได้ส่วนมากเอาตัวไม่รอดนี่คือความหมายที่มองเห็นได้ง่าย ส่วนความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือคนที่สร้างความดีเอาไว้มากและสร้างไว้หลายอย่างคนประเภทนี้ไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรอยู่ที่ไหนกรรมดีของตนเองนั้นจะส่งผลให้คนทั้งหลายเกิดความรักความเคารพเทิดทูนบูชาเกิดความเมตตากรุณาเกิดความซื่อสัตย์ความพักดีความกระตันอยู่ความไว้วางใจ ยิ่งมีความดีมากผลที่กล่าวนั้นก็ยังมีมากขึ้นและใครก็ตามที่เกิดมาถ้าหากเป็นที่รักที่นับถือที่เคารพ บ, บูชาของคนทั้งหลายแล้วบุคคลผู้นั้นก็เป็นอันหวังได้ว่าจะต้องมีความสุขความเจริญความปลอดภัยอย่างแน่นอนและลองคิดดูอีกครั้งหนึ่งคนที่มีที่พึ่งอยู่กับตนเช่นคนมีความรู้นั้นก็ย่อมหาทรัพได้เสมอ ทุนเดิมไม่หมดซึ่งผิดกับคนที่พึ่งตนเองไม่ได้จะต้องพึ่งคนอื่นอยู่เสมอเพราะขาดความรู้ความสามารถคนไหนจะประเสริฐกว่ากันอีกในหนึ่งคําว่ามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยนั้นหมายความว่าไม่ว่าคนดีหรือคนชั่วต่างก็มีกรรมของตนเป็นที่พึ่งเช่นคนชั่วก็หาเรี่ยงชีพของตนในทางชั่ว ส่วนคนดีก็หาเลี้ยงชีพคนตนในทางดีเพราะไม่ว่าคนหรือสัตว์เมื่อพิจารณาดูแล้วเราจะพบว่าคนทุกคนสัตว์ทุกตัวต่างก็ช่วยตนเองให้มีชีวิตอยู่ได้ตามสภาพของตนสัตว์นรกก็มีชีวิตอยู่ได้ด้วยกรรมของตนถ้ากรรมที่ทําให้อยู่ในนรกยังไม่สิน้นก็ต้องอยู่ในนรกต่อไปในทํานองเดียวกับคนที่อยู่ในสวรรค์ ถ้ากรรมที่ทําให้อยู่ในสวรรค์ยังไม่สิน้นก็มีโอกาสที่จะอยู่ในสวรรค์ต่อไปได้อีกนานจนกว่าจะสิ้นกรรมอันนั้นคนในโลกมนุษย์ก็เช่นเดียวกันขอให้พิจารณาดูให้ลึกซึ้งก็จะพบกฎเดียวกันกล่าวคือใครจะมีชีวิตอยู่อย่างไรสุขทุกข์แค่ไหนสิ่งที่พยุงคําเอาไว้ให้ตนเองต้องเป็นเช่นนั้นก็คือกรรมของตน อาหารเป็นเครื่องอย่างชีพให้เป็นไปสิ่งนี้เห็นได้ง่ายแต่กรรมเป็นเครื่องอย่างชีพของบุคคลสิ่งนี้เห็นได้ยากแต่ถึงกระนั้นถ้ามันพิจารณาบ่อยๆและพิจารณาให้ถูกทางก็จะวองเห็นได้โดยไม่ยากเลยขอยสังเกตดูต้นไม้อะไรกันแน่ที่ทําให้มันเกิดและดํารงชีวิตอยู่ได้ตามพืชพันธุ์ของมันไม่ว่ามันจะเจริญเติบโตอย่างไร มันก็ยังคงรักษาสภาพเดิมของมันไว้ได้ในกรณีอย่างนี้อาหารหรือดินฟ้าอากาศเป็นเพียงปัจจัยส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนปัจจัยสำคัญที่ทำให้มันต้องเป็นอยู่อย่างที่มันเป็นนั้นก็คือวิบากของมันเองวิบากก็คือเมล็ดพืชพันธุ์ซึ่งเกิดจากการกระทาของต้นก่อนในทํานองเดียวกันชีวิตของเราในชาตินี้ ก็เป็นผลที่เกิดมาจากวิบากของเราวิบากก็เป็นผลมาจากการกระทําของเราในอดีตเมื่อเป็นเช่นนี้ทําไมไม่พิจารณาดูถึงสภาพของจิตใจส่วนลึกซึ่งเป็นตัวของวิบากนั้นว่ามันมีผลต่อร่างกายอย่างไรบ้างมันมีผลต่อความเป็นอยู่อย่างไรบ้างผู้ที่เข้าใจเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งเท่านั้นเขาจึงจะยอมรับว่า เรามีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจริงๆและเมื่อยอมรับความจริงอันนี้แล้วเราก็จะสบายใจที่สุดวางใจเรื่องอนาคตได้ตลอดไปเพราะอะไรก็เพราะว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วกฎอันนี้ไม่มีข้อยกเว้นเพราะฉะนั้นในเมื่อเราทำความดีอยู่เสมอความดีสะสมมากขึ้นโดยลําดับก็แปลว่า เราได้ที่พึ่งดีขึ้นโดยลำดับและมั่นใจด้วยว่าเราจะได้พึ่งความดีนี้ได้ตลอดไปไม่มีวันสิ้นสุดคนอื่นเช่นพ่อแม่แม้ท่านจะสามารถเป็นที่พึ่งแก่เราได้ดีเพียงไรก็ไม่สามารถจะพึ่งท่านได้ตลอดไปแต่ถ้าเราสร้างที่พึ่งให้แกตนเองได้ดีแล้วเราก็จะพึ่งได้ตลอดไปทั้งชาตินี้และชาติหน้าต่อไปทุกๆชาติ ทำอันเป็นที่พึ่งคราวนี้เมื่อท่านเข้าใจเรื่องกรรมตามที่อธิบายมานี้ดีแล้วก็ขอได้โปรดพิจารณาพุทธพจน์ดังต่อไปนี้แล้วให้สังเกตว่าท่านรู้สึกทราบซึ้งหรือไม่ถ้าทราบซึ้งดีโดยไม่ต้องมีคมาําอธิบายก็แปลว่าท่านเข้าถึงพุทธพจน์ทบทนี้แล้วและก็จะรู้สึกด้วยว่าเราได้ที่พึ่งอันประเสริฐแล้ว เรามีแสงสว่างนำทางอย่างถูกต้องแล้วพุทธพจน์ ท, ที่ว่านี้คืออุทธาเนนับประมาเทนะสั ญ, ญเมนะทะเมนะจะทีปังกยิราถเมทาวียังโอโคนาภิกิรติผู้มีปัญญาพึงสร้างเกาะที่น้ำท่วมไม่ได้ด้วยความเพียรด้วยความไม่ประมาทด้วยความสารวมคือการมีศีลและด้วยการฝึกจิต คือฝึกในทางสมาธิและวิปัสสนาเกาะในที่นี้มาจากคำบาลีทีปะทีปะก็คือทวีปซึ่งแปลว่าสถานที่ซึ่งมีน้ำล้อมรอบชีวิตของปุถุชนทั้งหลายในสายตาของพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่ยังแวกว่ายอยู่ในท้องทะเลและไม่เห็นฝั่งไม่เห็นเกาะยังไม่มีอะไรซึ่งจะเป็นที่พึ่งให้พ้นทุกข์ได้จริง เงินทองทรัพย์สมบัติใดๆอำนาจใดๆก็ช่วยคนเราพ้นทุกข์จริงๆไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้เราสร้างเกาะคือที่พึ่งอย่างใหม่ซึ่งที่พึ่งที่ว่านี้จะต้องสร้างด้วยความเพียรด้วยความไม่ประมาทด้วยความสมรวมและด้วยการฝึกจิตและที่พึ่งอันนี้เมื่อสร้างได้แล้วน้าก็จะท่วมอีกไม่ได้หมายความว่า ความทุกข์ใดๆจะเกิดอีกไม่ได้อันที่จริงคำว่าทีปะซึ่งแปลว่าเกาะหรือที่พึ่งในคาถาที่ได้กล่าวมานั้นความหมายที่แท้จริงหมายถึงนิพพานผู้ที่บรรลุนิพพานก็คือผู้ที่มีใจบรรลุ ถ, ถึงความว่างความเป็นอิสระซึ่งในเมื่อบรุ ถ, ถึงภาวะนี้แล้วจิตใจจะหลุดลอยออกไปจากเครื่องผูกมัดรัดรึงจิตใจทุกอย่าง และในเวลาเดียวกันก็จะได้พบกับความสงบอันประณีตซึ่งเป็นความสงบในขั้นโลกุตระผู้ที่เข้าถึงความสงบอันนี้แล้วจะมีความต้านทานต่อความทุกข์ทุกอย่างและสามารถควบคุมความนึกคิดได้โดยเด็ดขาดจะคิดเรื่องอะไรก็จะมีแต่เรื่องนั้นและถ้าต้องการจะเลิกคิดเรื่องทุกทุกอย่างไม่ให้มีอารมณ์อะไรเหลืออยู่ในใจเลยก็สามารถทําได้ทันที และทำได้ทุกโอกาสทุกขณะจิตและความนึกคิดอันใดซึ่งเคยเป็นพิษเป็นภัยคือเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วทำให้เกิดความหวาดกลัวหรือเกิดความเศร้าโศกเสียใจหรือก่อให้เกิดความทุกข์ใดก็ตามความนึกคิดเหล่านี้ทั้งหมดแม้จะรื้อฟื้นขึ้นมาก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะจะไม่ทำให้เกิดความทุกข์ใดๆไ ด, ได้เหมือนเมื่อก่อนคนที่เข้าถึงภาวะอันนี้แล้ว ทุกคนจะรู้สึกว่าตนเองปลอดภัยแล้วโดยประการทั้งปวงแม้แต่ความแก่ความเจ็บความตายก็ทำให้เกิดความทุกข์ใดๆไม่ได้โดยเฉพาะคือทุกทางใจพระผู้ที่เข้าถึงภาวะอันนี้จะรู้แจ้งอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเราที่แท้จริงไม่ใช่ร่างกายอันนี้ตัวเราจริงๆนั้นใครใหรืออะไรอะไรก็ทาให้มันแก่มันเจ็บมันตายไม่ได้ เมื่อเราย้อนต้องการมีชีวิตชีวิตจะต้องมีอยู่ตลอดไปเพราะชีวิตเกิดจากความต้องการของเราเองและชีวิตไม่ใช่จะมีแต่ในแบบกายเนื้อเช่นมนุษย์นี้เท่านั้นชีวิตที่เกิดจากใจลว้ลวนๆยังมีอีกซึ่งชีวิตประเภทนี้ถ้าจิตใจสมบูรณ์ไม่มีอะไรทําให้มันเกิดความทุกข์ใดๆได้แล้วกายที่เกิดจากใจเช่นนี้ก็จะมีความสมบูรณ์ ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายจะอยู่ไปได้นานแสนนานตามที่ตนเองปรารถนาแต่ถ้าต้องการความดับสนิทไม่มีเหลือก็จะได้สมความปรารถนาเพราะผู้ที่บรรลุถึงภาวะอันนี้แล้วนั้นชีวิตได้เป็นอิสระแล้วโดยสมบูรณ์เป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงและนอกจากนี้ผู้ที่บรรลุถึงภาวะอันนี้จะมองเห็นความจริงอันลึกซึ้งอีกอย่าง กล่าวคือมองเห็นว่าทุกอย่างเกิดจากใจทั้งสิน้นวัตถุเช่นร่างกายเสื้อผ้าบ้านเมืองสิ่งแวดล้อมอื่นๆก็เกิดจากใจทั้งสิน้นหรือพูดอีกนายหนึ่งก็คือสามารถมองเห็นว่าทุกอย่างที่ปรากฏในความฝันซึ่งเห็นได้ชัดว่าเกิดจากใจนั้นความจริงแท้ๆก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน แต่ต้องเป็นจิตใจที่สมบูรณ์แล้วด้วยคุณธรรมทุกอย่างความฝันทุกอย่างจึงจะกลายเป็นความจริงเพราะเหตุที่ภาวะอย่างนี้มีอยู่พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้พยายามสร้างเกาะ อ, อันนี้ขึ้นมาหรือพูดอีกใยนหนึ่งก็คือพยายามไปให้ถึงเกาะ อ, อันนี้ให้ได้เมื่อขึ้นเกาะ อ, อันนี้ได้แล้วน้าจะท่วมอีกไม่ได้เลย การศึกษาไม่เพียงพออาจทำให้เข้าใจผิดการศึกษาพระพุทธศาสนาถ้าศึกษาเพียงครึ่งครึ่งกลางๆศึกษาไม่ตลอดก็มักจะเข้าใจหลักธรรมผิดและเอาไปใช้ผิดดังเช่นเรื่องกรรมโดยเฉพาะในกรณีที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ละเว้นจากการทำบาปอย่างนั้นอย่างนี้และให้ทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งคนส่วนมาก มักจะรู้สึกว่ายากเกินไปปฏิบัติตามไม่ได้การที่ต้องอธิบายให้เข้าใจมาถึงเรื่องนิพพานด้วยนั้นก็เพื่อต้องการจะชี้ให้เห็นว่าถ้าผู้ใดปรารถนาที่จะไปให้ถึงนิพพานจริงๆแล้วก็ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแต่ถ้าตนเองรู้สึกว่ายังไปไม่ได้การปฏิบัติก็ต้องย่อหย่อนมาตามส่วนเช่นคารวะโดยทั่วไป ต้องการเพียงแค่การอยู่ดีกินดีมีความสุขความเจริญอย่างที่ต้องการกันการถือศีลอยด์เคร่งครัดก็ไม่มีความจําเป็นแต่ก็ต้องมีการถือบ้างจะไม่ถือเฉลยไม่ได้และเนื่องจากธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนนั้นมุ่งต่อโล ก, กุตรธรรมซึ่งผู้ใดมุ่งต่อโล ก, กุตรธรรมจริงๆก็จะเห็นว่าคําสอนของพระองค์เหมาะสมทุกอย่าง จะขัดแยงด้งใดๆไม่ได้เลยส่วนผู้ที่ยังไม่มุ่งถึงขั้นนั้นก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องเห็นว่าธรรมะบางอย่างขัดแย้งกันเช่นคนในโลกส่วนใหญ่เมื่อจะทำอะไรก็ต้องการจะได้เงินได้ชื่อเสียงอํานาจหรือที่พนอะไรทำนองนี้แต่ในเมื่อมองเห็นว่าคนที่ทำบาปเช่นฆ่าสัตว์เป็นอาชีพโกงเขาหรือหลอกลวงเขา ใช้เล่เหลี่ยมหากินแล้วร่ำรวยส่วนคนที่ซื่อไม่โกงไม่คอร์รัปชันกลับยากจนซึ่งตัวอย่างเช่นนี้มีอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เลยเห็นว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วนั้นไม่เป็นความจริงเสมอไปแต่สําหรับผู้ที่เข้าใจความหมายเรื่องกรรมถูกต้องดังที่ได้ที่บายมาแล้วเข้าใจเห็นว่า หลักที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้นั้นถูกต้องทุกประการแต่ถึงกระนั้นคนที่จะยอมรับในเรื่องนั้นจริงๆก็คือผู้ที่มุ่งหมายโลกธ ร, รุตธรรมเพราะผู้ที่จะบรรลุโลกุตรธรรมได้จริงๆนั้นจะต้องมีคุณธรรมสมบูรณ์จริงๆจึงจะบรรลุได้ส่วนคนที่มุ่งผลในทางโลกนั้นถึงแม้จะเข้าใจเรื่องกฎของกรรมถูกต้องแต่ก็ไม่ค่อยจะเลื่อมสายนักเพราะเขาคิดว่า ทำดีได้ความดีทำชั่วได้ความชั่วก็จริงแต่จะมีประโยชน์อะไรในเมื่อทำดีแต่ไม่ได้เงินทำชั่วกลับได้เงินในกรณีอย่างนี้เราจะเห็นว่าเขาขัดแย้งธรรมะรเพราะความต้องการของเขาไม่ตรงกับจุดหมายของธรรมะทำดีได้ดีขึ้นอยู่กับสมบัติสี่ประการแต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ว่าคนทำชั่วแต่กลับได้ดีคนทำดีกลับได้ชั่วนั้นพระองค์ก็ได้ทรงอธิบายไปแล้วแต่คนส่วนมากไม่ทราบเองคือพระองค์ได้ทรงอธิบายไว้ว่าคนทำดีจะได้ดีซึ่งหมายถึงได้ดีในทางวัตถุนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับสมบัติสประการคือ 1. คติสมบัติ 2. อุปเิสมบัติ 3. กาลสมบัติ 4. ประโยค่าสมบัติ คติสมบัติในที่นี้หมายถึงสิ่งแวดล้อมทินที่อยู่หรือภูมิที่อยู่เป็นภูมิที่ดีโดยธรรมดาคนดีจะได้รับผลดีต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยเช่นคนซื่อต้องอยู่กับคนซื่อความซื่อจึงจะให้ผลถ้าอยู่กับคนโกงและตัวเองฉลาดไม่ทันเขาความซื่อก็จะยังไม่ให้ผลข้อนี้เปรียบเหมือนต้นไม้พันธุ์ดี เกิดอยู่ในที่ซึ่งดินฟ้าอากาศดีด้วยต้นไม้นั้นจึงจะเจริญงอกงามดีแต่ถ้าเกิดอยู่ในที่ซึ่งดินฟ้าอากาศไม่เหมาะต้นไม้นั้นก็จะอาพับคือไม่เจริญงอกงามเท่าที่ควรด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนดีต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีความดีจึงจะให้ผลอุปธิสมบัติหมายถึงร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีบุคลิกลักษณะดีหรือสวยงามคนดีต้องมีร่างกายดีด้วยความดีจึงจะให้ผลทำนองเดียวกับต้นไม้พันดีต้องไม่มีโรคด้วยต้นไม้นั้นจึงจะให้ผลสมบูรณ์กาละสมบัติหมายถึงเวลาอันสมควรหรือถึงเวลาของเขาต้นไม้พันดีจะมีผลก็ต่อเมื่อต้องถึงฤดู ก, กาลของมันชั้นใด ความดีทุกอย่างที่เราทำไว้นั้นก็มีเวลาของมันถ้ายังไม่ถึงเวลาความดีหรือบุญกุศลที่ทำไว้ก็จะยังไม่ให้ผลเรื่องนี้โหนที่ชำนาญและแม่นจริ ง, รงๆเขาจะบอกเราได้ว่าเวลาไหนเราจึงจะมีโชคทำไมเขาจึงบอกได้ก็เพราะความดีทุกอย่างจะให้ผลก็ต่อเมื่อถึงเวลาระโยคะสมบัติหมายความว่า การทำความดีนั้นต้องทำให้ครบตามลักษณะที่ควรจะมีจะทำแต่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เช่นคนขยันแต่ไม่รู้จักกาลเทศะไม่ฉลาดในการทำในลักษณะเช่นนี้จะเห็นว่าความดีคือความขยันหรือความซื่อ น, นั้นจะไม่ให้ผลเท่าที่ควรและเรื่องนี้เองที่คนส่วนมากไม่รู้แล้วก็บ่นว่าทำดีแต่ไม่ได้ดี โดยที่เขาพูดถึงแต่ความดีที่ตนเองมีอยู่ส่วนความไม่ดีหรือความบกพร่องอีกหลายอย่างซึ่งตนเองมีอยู่จริงๆเขาไม่พูดถึงแล้วก็บอกว่าทำดีไม่ได้ดีเขาลืมไปว่าการทำความดีนั้นต้องทำหลายอย่างให้ครบลักษณะที่ควรจะมีความดีจึงจะให้ผลเราปลูกต้นไม้ เอาใจใส่แต่ในเรื่องดินหรือในเรื่องน้ําแต่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เอาใจใส่ในเรื่องอื่นเราจะไปหวังให้ต้นไม้เจริญงอกงามได้อย่างไรการทําความดีก็เช่นเดียวกันต้องทําให้ครบทุกอย่างความดีจึงจะให้ผลเต็มที่ขอให้สังเกตว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนนั้นจะมีเป็นหมวดหมวดเช่นพรหมวิหารก็มีสี่ข้อ ศีนก็มีห้าข้ออย่างนี้เป็นต้นถ้าเราประพฤติแต่ข้อใดข้อหนึ่งแล้วจะให้ได้ผลดีจริงๆนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ส่วนคนที่ทำชั่วได้ดีนั้นก็มีหลักอย่างเดียวกันกล่าวคือคนบางคนทำชั่วแต่ถ้าเขาเป็นคนฉลาดในการทำซึ่งในกรณีอย่างนี้สํานวนในคำพีเรียกว่าความชั่วถูกยับยั้งไว้ด้วยประโยชน์ค่าสมบัติ ผลข้อความชั่วก็จะยังไม่ปรากฏแต่ถ้าเขาทําชั่วด้วยความโง่ซึ่งในคำภีเรียกว่าประโยค้าวิบัติถ้าเป็นเช่นนี้แล้วจะเห็นผลทันตานี่หมายความว่าคนที่ทําความชั่วต่างๆนั้นถ้าเขามีคติสมบัติหรือมีอุปธิสมบัติหรือมีกาละสมบัติหรือมีประโยค้าสมบัติความชั่วนั้นก็จะยังไม่ให้ผลก่อน ต่อเมื่อทั้งสี่อย่างนี้วิบัติแล้วความชั่วก็จะให้ผลทันทีแต่ถึงอย่างไรก็ตามอย่าลืมว่าเมื่อทำดีก็ต้องได้ความดีเมื่อทำชั่วก็ต้องได้ความชั่วอันนี้เป็นหลักตายตัวไม่มีข้อยกเว้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามในเมื่อทาความชั่วอยู่เสมอผลของความชั่วแม้จะยังไม่ปรากฏก็จะได้เข้าใจผิดว่าความชั่วจะไม่ให้ผล เพราะเมื่อเราทำความชั่วอยู่เสมอความชั่วก็จะสะสมอยู่ในสันดานมากขึ้นครั้นแล้วสักวันหนึ่งมันก็ต้องให้ผลแน่นอนยิ่งสะสมไ้มากเพราะยังไม่เห็นผลของความชั่วจึงได้ทำอยู่เรื่อยเมื่อถึงคราวให้ผลผลก็จะร้ายแรงยิ่งขึ้นเหมือนคนที่เริ่มเป็นโรคบางอย่างซึ่งในระยะแรกไม่เจ็บปวดก็ปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษา โรคนั้นก็ย่อมจะเป็นมากขึ้นซึ่งมาถึงตอนนี้แล้วก็จะรักษายากและอาจถึงตายได้คนที่ทำชั่วแต่ยังไม่เห็นผลก็เช่นเดียวกันอย่าได้ประมาทว่าความชั่วจะไม่ให้ผลและอย่าลืมว่าความดีและความชั่วที่เราสะสมเอาไว้นั้นเป็นสิ่งไม่ตายแม่ร่างกายจะตายไปแล้วก็ตามเพราะความดีความชั่วเป็นนามธรรม ไม่ใช่เป็นวัตถุและเป็นสิ่งที่มีอยู่ในวิญญาณและวิญญาณเป็นตัวการสร้างสรรค์ชีวิตด้วยเหตุนี้ความดีความชั่วจึงไม่สูญและคนเราเกิดมาจึงไม่เหมือนกันไม่เท่ากันมาตั้งแต่เกิดแล้วมเมล็ดผลไม้ต่างพันกันแม้จะปลูกในที่แห่งเดียวกันเมื่อจเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วย่อมไม่เหมือนกันฉันใด คนเราทุกคนที่เกิดมาก็เป็นเช่นเดียวกันฉันนั้นผู้ที่เข้าใจกฎของกรรมอย่างลึกซึ้งและถูกต้องจริงๆนั้นเราจะเห็นได้ชัดอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นคนที่มีฮิริและโอตตะปะอย่างแท้จริงฮิริแปลว่าความละอายต่อบาปหรือรังเกียจบาปโอตตะปะแปลว่าความเกรงกลัวต่อบาปบาปก็คือความชั่วหรือความไม่ดีต่าง คนที่มีฮิริและโอตตปะเราจะสังเกตได้ว่าจะไม่ทำความชั่วแม้ในที่ลับการใดซึ่งเป็นการชั่วหรือเป็นสิ่งไม่ดีไม่เหมาะสมแก่ตนแม้คนอื่นจะไม่รู้ก็ไม่กล้าทำเหมือนคนที่รู้อยู่แล้วว่าในน้ำนี้มียาพิษน้ำนั้นแม้จะน่าดื่มสักเพียงไรคนนั้นแม้จะกระหายสักเพียงไรเขาก็จะไม่กล้าดื่มข้อนี้ฉันใด คนที่มีฮิริโอตะ ป, ปะอย่างแท้จริงนั้นก็จะมีลักษณะอย่างเดียวกันฉันนั้นอีกในหนึ่งสำหรับคนที่เชื่อมั่นในพระผู้เป็นเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าอย่างแท้จริงนั้นเขาจะไม่กล้าทำความชั่วไม่ว่าในกรณีใดๆเพราะเขารู้อยู่ว่าพระเจ้าทรงรู้เห็นการกระทำของเขาอยู่เสมอและพระเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้ให้รางวัลและลงโทษอย่างยุติธรรมที่สุด สำหรับคนที่เชื่ออย่างนี้จริงๆเราก็จะเห็นได้ชัดว่าเขามีศีลธรรมเกิดจากตัวเขาเองเป็นศีลธรรมที่มั่นคงคนอื่นไม่จําเป็นต้องคอยดูแลควบคุมเขาเพราะเหตุที่ในศาสนาคริสต์หรือในศาสนาอื่นที่เชื่อว่ามีพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกสร้างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนั้นคนที่เชื่อและเลื่อมใสในหลักการอันนี้อย่างลึกซึ้งและนั่นแฟนมีอยู่ และก็มีอยู่เป็นอันมากด้วยเพราะเหตุนี้เราจึงได้เห็นการกระทำหลายๆอย่างของบุคคลเหล่านี้ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างน่าสรรเสริญยิ่งซึ่งเขาทำด้วยศรัทธาและความเสียสละอย่างสูงมากเขาไปเจ้าเชื่อว่าใครก็ตามถ้าหากเข้าใจเรื่องกฎของกรรมอย่างลึกซึ้งถูกต้องและเชื่ออย่างแน่นแฟ้นไม่งอนง่นไม่คลอนแคลนแล้ว บุคคลเหล่านั้นก็จะมีกําลังใจทํางานอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยความเสียสละอย่างสูงได้เช่นเดียวกับผู้ที่เชื่อในผู้ผู้เป็นเจ้าเหมือนกันและบางทีอาจจะดีกว่าเสียด้วยซ้ําไปเพราะอะไรเพราะเรื่องพระเจ้าพิสูจน์ให้เห็นจริงได้ยากคนที่เชื่อในเรื่องนี้ต้องฝากความเชื่อไว้กับคำภีร์ส่วนเรื่องกรรมเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ด้วยตนเอง เมื่อศึกษาให้ถูกวิธีแล้วเขาไม่จําเป็นต้องฝากความเชื่อไว้กับคำภีรหรือคนสอนเพราะข้อเท็จจริงทุกอย่างอันจะเป็นข้อพิสูจน์ในเรื่องกฎของกรรมนั้นได้มีอยู่ที่ตัวเองพร้อมแล้วเพียงแต่หัดอ่านข้อเท็จจริงในตัวเองให้เป็นเท่านั้นเขาก็จะเชื่อในเรื่องกฎของกรรมยิ่งขึ้นโดยลําดับและเมื่อยิ่งเชื่อความเสียสละก็ยิ่งสูง และก็เชื่อได้อีกอย่างหนึ่งว่าสําหรับผู้ที่เชื่อในเรื่องกฎของกรรมนั้นเพลงพระราชนิพน์เรื่องความฝันอันสูงสุดนั้นเขาจะรู้สึกทราบซึ่งทุกคําพูดที่เขาร้องและข้าพเจ้าเชื่อว่าถ้าคนไทยทั้งหลายเข้าถึงบทเพลงพระราชนิพน์บทนี้ชาติไทยจะไม่มีวันเสียเอกราชให้กับชาติใดชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ จะดำรงคงอยู่ตลอดไปพร้อมกับความเจริญของชาติทุกๆด้านด้วยปัญหาเรื่องคนจนซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากนั้นก็จะสามารถแก้ไขให้คนเหล่านี้มีการอยู่ดีกินดีได้โดยไม่ต้องอาศัยรัฐที่ใดๆเข้ามาแก้ไขแต่เราทั้งหลายจะสามารถแก้ไขกันเองได้ด้วยอาศัยหลักธรรมในพระพุทธศาสนา บทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดขอฝันไฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกรุกโรโหวมกายใจขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปาติมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภาวะพวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาท่าสิ้นไปนี่คือปณิธานที่หารมุ่งหมายผดุงยุติธันอันสดใส ถึงทนทุกทรมานนานเท่าใดยังมั่นใจรักชาติองค์อาจครันโลกมนุษย์ย่อมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม้ถูกหยันยังคงหยัดสู้ไปไฟประจันยอมอาสันก็เพราะปองเทิดผองไทย